ก็ความในปฏิสัมพินธ์ต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วได้กล่าวถึงภาเวตาประธรรมธรรมที่ควรเจริญหมดสี่ก็คือสติประทามสี่เป็นธรรมที่ควรเจริญก็คงคงไม่ลื ม, ม น, นะการกล่าวถึงการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายหรือที่เราเราเรียกว่าภาเวตาปรธรรมธรรมที่ควรเจริญ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 ถ้าหากว่าเราเลือกนิพยแยกศัตรูไม่เป็นเลยเนี่ยนะเราจะคบใครเราก็จะคบคนที่ตามใจเรางนั้นเลยเอาปาปมิตรนี่ไม่ใช่ไม่ตามใจนะโอ้เอาใจเก่งมากนะพรานอกุศลก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราแยกแยะ ก, กุศลอกุศลไม่ชัดเจนยากที่จะละอากุศลยากที่จะเจริญกุศล นิย้อนกลับมาถึงพาเวตะปะธรรมทวนอีกนิดหนึ่งว่าทำหน่งที่ควรเจริญคือกายคตาสติที่สหรค ด, ด้วยความสำราญก็คือกายานุปัสสนานั่นแหละหรืออสุภฌ า, านทั้งหลายทรสองที่ควรเจริญคือสมถะกับวิปัสสนาทำสามที่ควรเจริญก็คือสมาธิสามทมสี่ที่ควรเจริญคือสติปฐานสี่ ในมาขึ้นทำห้าที่ควรเจริญเนี่ยนะคืออัญจังที่โกสมาธิสมาธิมีองค์ห้าสมาธิมีองค์ห้าท่านบอกว่าคือสมาธิในจตุตัชฌานีในในบรรดาองค์ห้านี้ก็มาไล่ทีละข้อเนะอย่างข้อแรกปีติพรรณาตาข้อสองสุขะพรรณาตาข้อสามเจโตพรรณาตาสี่อโลกะพรรณาตาห้าปัจเวคขณะนิมิต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 ท่านปฐมฌานนั้นมีปีติอยู่ด้วยทุติยฌ า, านล่ะนะปีติสุขเอกคตาทัา น, นก็มีปีติอยู่ด้วยทั้นปีติพรรณตานั้นหมายถึงปฐมฌานกับทุติยฌ า, านเพราะว่าแผ่ปีติทั้นใครอยากจะมีความสุขเอิบอิ่มอิ่มอกอิ่มใจเนี่ยนะจะต้องปฐมฌานกับทุติยฌ า, านผู้ที่ได้ปฐมฌานใ้ทุติยฌ า, านนั้นจะมีความสุข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 หรือว่ารังเกียจความสุขซะแล้วไม่มั้งเนาะก็ทําทุกอย่างก็เพื่อให้ถึงความสุขนั้นถ้าสุขที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ไม่มีปีตินั้นต้องสุขในตติยะฌานถ้าจะเอาอิ่มใจจริงก็เอาอิ่มใจในปฐมฌานทุติยฌานถ้าสุขสุขในปฐมฌานทุติยฌานแลตะตติยฌานต่อไปเจโต พระตาเจโตพระนตาก็คือเจโตปริยญาณนั่นเองหมายถึงเจตุทัชอภิญญาเจตุทชฌานอภิญญาเจตุทชฌานที่รอบรู้วาระจิตของผู้อื่นรู้วาระจิตของผู้อื่นเปไหนรู้วาระจิตว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหคัตจิตไม่เป็นมหคัต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 ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ประกอบด้วยกายธุจริตวจีิธุจริตมโนธุจริตเป็นมิจฉ า, าติเตรียมพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิสมาทานกรรมอยู่ด้วยอำนาจของมิจฉาทิฏฐิเมื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาดนรกอะไรรอบรู้ในจุติและปฏิสนธิเช่นนั้น รอบรู้แม้กระทั่งว่าหมู่สัตว์ที่ประกอบด้วยกายสุจเรตวจีสุจริตมโนสุจเรตอะเป็นผู้ที่ไม่ติเตียนพระริยเจ้ามีสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทํากรรมด้วยอํานาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายกายแต่ก็เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์การที่มีทิพยจักขุมองเห็นสัตว์ทั้งหลายที่ได้ดีตกยากด้วยทิพยจักสุอันบริสุทธิ์อย่างนี้เขาเรียกว่าอาโลกะพระนาตา เพราะแผ่แสงสว่างมอ ง, มองเห็นมองเห็นหมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะไม่ใช่ว่าตาทิพซักแต่ว่าแบบอะไรนะถ่ายทอดสดเท่านั้นนะไม่ใช่แค่ลักษณะนั้นนีนะลักษณะแบบภาพอะไรนะภาพถ่ายทอดสดที่เห็นแค่เหตุการณ์เฉพาะหน้าไม่ไม่เท่านั้นเพราะว่าที่พจักขครนั้นบวกกมมรมโมปะฆาญาณด้วยญาณที่รอบรู้ในกรรมเนี่ยนะกมมรมโมปะฆาญาณ ส่วนอันสุดท้ายบอกว่าปัจเจเวขณะนิมิตรหรือปัจเจเขณะยานชื่อว่าเปกปัจเจเขณะนิมิตปัจเจเวขณะยานก็คือยานที่สา ม, มารถพิจารณาองค์ฌานทั้งหลายพิจารณาองค์ของปฐมฌานพิจารณาองค์ของทุติยฌานพิจารณาองค์ของตติยฌานพิจารณาองค์ของจตุทฌานเป็นต้นพันเอกปัญญาที่สา ม, มารถพิจารณากําหนดจําแนกแยกแยะองค์ฌานทั้งหลาย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 ตรวจตราองค์ประกอบของสมาธิเพราะขณะอยู่ในสมาธิจริงๆไม่สามารถตรวจสอบตัวเองได้เพราะเพราะมีอารมณ์ของสมาธิต่างหากอยู่แล้วอย่างเช่นสมาธิพวกนี้โดยมากมีกรสินเป็นอารมณ์ขณะที่มีสมาธิมีกรสินเป็นอารมณ์นั้นตัวสภาพจิตตอนนั้นก็มีแต่กรสินเป็นอารมณ์อย่างเดียวเมื่อออกจากกรสินเป็นอารมณ์แล้วจึงมาอาวัชนะมาพิจารณา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 ทำไมพาเวตาปาธรรมจึงเน้นสมาธิาตั้งคำถามมาทำไมเน้นสมาธิหมวดสามให้ทำสามที่ควรเจริญบอกสมาธิสมาธิสามทำห้าที่ควรเจริญบอกสมาธิมีองค์ห้ายกสมาธิยกย่องมากอาะไรที่จริงนะถ้าไล่ดูให้ดีนะกายคตาสติอันสอรคตด้วยความสำราญก็เป็นชื่อของสมาธิสมัโธจาวิปัสนาจะ สมถะตัวนั้นก็คือสมาธิอยู่ด้วยสมาธิสามสติปทานสี่โดยมากก็เป็นสมาธิสมาธิมีองค์ห้าก็สมาธิอนุสติหกก็สมาธิหมวดเจดเนี่ยนะสมาธิสัมโพชฌงก็สมาธิปัสสติสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงอุเบกขาสัมโพชฌงพวกนี้ก็กลุ่มสมาธิองค์มรคเนี่ยนะมรคข้อสุดท้ายก็สมาธิแล้วก็ อันหนึ่งอันสุดท้ายเนี่ยข้อสุดท้ายเนี่ยกษนายัตนะสิบกษินสิบก็สมาธิอีกทำไมพาเวตาธรรมจึงยกย่องสมาธิมากมายถ้าตั้งคำถามคำถามแบบนี้ทาไมายกย่องขนาดนั้นสมาธิเป็นเหตุใกล้แห่งปัญญาเนี่ยนะสมาฮิโตยะถาภูตังปชาณติเมื่อมีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้เห็นตามเป็นจริง อันนี้พูดถึงสําหรับคนที่มีข้อมูลอย่างบริบูรณ์เพียบพร้อมอย่างบางคนบอกพระไตรปิฎกเขา อ, อ่านมามากเรียนมาเยอะเนี่ยนะเรียนมาเยอะแยะไปหมดเลยอริยศาสต ร, ร์ธรรมจักรขปรวัตนสูตรก็ท่องไว้หมดอา น, นาติตตะปริ ย, ยสูตรก็จําได้อา น, นาตตาลักคณะสูตรก็จําได้สูตรไหนมั่งที่จำไม่ได้เนี่ยนะว่ามาเถอะขึ้นหัวรู้หมดหางเป็นยังไงเก่งขนาดนั้นนะที่ดูแต่ทําไมไม่เห็นทําอะไรได้ซากอย่างเลยนะกิเลสเต็มหัวใจตามเดิม ทำไมอย่างนั้นรู้ไปหมดอ่ะนัน่รู้ตัวยาไปหมดอะไรอย่างนั้นพ่อไรเออร